แต่ถ้าเรามีแต่ไปป้ายความผิดให้คนอื่นไปทุกอย่างเนยนะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วถ้าเขาเลวนี่เราจะต้องตกนรกใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเอาเนี่ก็เพราะคนอื่นเขาเลวอะ่ะจะให้เขาดีอยู่ได้ยังไงเอานี้ถ้าคนอื่นเขาเป็นเอชตั้งมากมายคุณต้องเป็นด้วยไหมเอา้าเป็นคนอื่นเขาเป็นมะเร็งตั้งเยอะอ่ะคุณต้องเป็นด้วยไหมเอา้า คนอื่นเขาอดกันเยอะแยะคุณต้องไปอดกับเขาด้วยไหมที่เขาชั่วทําไมต้องไปชั่วแบบเขาละ่ะเนี่ยนะเพราะฉนั้นบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เราไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรไม่ใช่หมายคนอื่นเขาเป็นหนี้แล้วเราต้องมาป่ว ย, ยนั่นแหละเพราะอะไรเพราะคนอื่นเขาเป็นหนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นก็ต้องแบ่งแยกว่าประโยชน์ของตนประโยชน์ของผู้อื่นก็ต้องมาแบ่งแยกกันไม่ใช่ว่าบางคนบอกเห็นคนอื่นเลวเลยตัวเองเดือดร้อนลักษณะตัวเองก็ต้องมาเครียดเนี่ยนะ ก็ยังมีบางท่านเนี่ยนะก็เขาเก็บส ต, ติข้อมูลคนอื่นเลวเนี่ยมากจนป่วยเป็นโรคทางจิตเนี่ยนะจนป่วยเป็นโรคทางจิตคิดแต่จะแก้ไขคนอื่นแก้ไข ร, รู้ไหมแก้รัฐมนตรีแก่นายกแก่อุย้ยนอ่นะแก้บางทีไม่ได้แก้ในประเทศด้วยนะแก้ของชาวต่างประเทศเนี่ยนะจะไปดูแลประธานาธิบดีต่างประเทศเองไงนะโอ้มาอะไรจะขนาดนั้นนะเสร็จแล้วก็อะไรโรคเครียดสิน้าบวมไปหมดเลยนะเครียดมากทุกมากเพราะอะไรเพราะว่า ไปแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ไม่ได้แต่ใจตัวเองเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวที่ไม่ยอมแก้คืออะไรความคิดของตัวเองนี่นแหละไม่ยอมแก้จากมโนทุจริตให้เป็นมโนสุจริตเนี่ยนะเพรา ะ, ะนนคนอื่นเขาไม่ได้ไปกับเรารอกทั้งดีและชั่วนะบางคนก็ต่างไปว่างั้นเถอะตอนขาไปก็ไม่มีใครบอกโอ้ยรักกันจริงก็ไม่ได้ว่าแปลว่าต้องตายพร้อมกันอะไรรอกไม่มีรอกเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องกายกรรมวจีกรรมและ มนโนกรรมโดยที่สุดข้าวของเครื่องใช้ในโลกของข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญเพราะมันมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรานะอย่างข้าวของเครื่องใช้สมุดดินสอปากกาหนังสือที่อยู่อาศัยรถรารองเท้าข้าวของทุกอย่างนำมาซึ่งปัญหาหมดเลยนั้นถ้าเราไม่ฉลาดเนี่ยลำบากใจแน่ถ้าเราไม่ฉลาดเราก็ไม่มีความสุขเป็นแน่ สำหรับพูดถึงสารานิยธรรมข้อสาธารณโภคีเนี่ยนะแบ่งปันข้าวของเครื่องใช้แบ่งของของเราให้ไปเป็นสาธารณะกับคนอื่นนะอย่าอย่าเผลอไปเอาของคนอื่นมาเป็นสาธารณกับของเราเห็นของคนอื่นเหมือนกับของตัวเองก็เลยเอาของคนอื่นมาใช้ซะจนไม่คืนเจ้าของเขาเลยเนี่ยนะเจ้าของเขาซึ่งจะเพื่อนรักขนาดไหนวันหลังเขาก็บน่นะนี่เอาไปไม่ยอมคืนสักทีนะนะเป็นต้นเขาเขาก็บน่น แล้วของเราเองบางทีเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะเจริญวัตของของเราเป็นของสาธารณะเนี่ยทายังไงก็บอกว่าศีลวันเตหิสัพธรรมจารีหิสารณะโภคีนี้เป็นลักษณะของผู้ที่เป็นสาธารณะโภคีหรือว่าบริโภคแบบข้าวของของตัวเองเนี่ยให้เป็นสาธารณะแก่ทั่วไปบอกว่าภิกษุได้ลาบใดๆลาบคือจีวรเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเนี่ยนะ อ า, อาหารเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นคาราวอเป็นของประณีตก็ตามไอ้คาว่าให้สาธารณะนียไม่ได้ไปให้คาราวะาเพื่อจะเอาลาบมาต่อลาบสแสวงหาราบด้วยลาบให้เขาไปเดี๋ยววันหลังเขาจะให้เราคืนเป็นต้นไม่ใช่ลักษณะนั้นไม่เป็นแบบนั้นไม่ใช่เอาต่อลาบด้วยลาบ นายืน่นเหมือนใครเรียกว่าโปรโยเหยื่อเอาให้เขาไปก่อนเนี่ยว่าหลังเขาจะให้เราคืนบ้างไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงว่าเมื่อรับถือเอาว่าของของเราเนี่ยเป็นของสาธารณะแก่สงนะเห็นลาบที่เขาข้อระคังแล้วก็บริโภคเหมือนกับของสงคือคือของของเราเนี่ยมีอยู่ปั๊บก็ตีระคังปองปองปองปองปองนี่มลมาฉันคับเนี่ยนะก็แบ่งกันฉันไปเหลือเท่าไหร่ตัวเองก็ฉันเนี่ยนะ ทีนี้การที่จะประพฤติปฏิบัติให้ลาบของตัวเองเป็นของสาธารณะถามว่ากลุ่มไหนทำได้กลุ่มไหนทำไม่ได้หรือใครทำได้ทำไม่ได้บอกว่าในสังคมของผู้ทุศีนทำไม่ได้บำเพ็ญไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ที่จะเอาของไปเป็นของสาธารณะเนี่ยนะไม่ได้เพราะอะไรเพราะผู้มีศีลจะไม่ยอมบริโภคของผู้ทุศี น, เ, นเหมือนกับว่าเอาคนดีเนี่ยอยากใช้ของโจรไหม เขาไม่ปล้นมาขอแบ่งเขาใช้หน่อยไหมเอาไหมนั้นคนดีทั้งหลายไม่ขอใช้สิ่งของร่วมกับโจรฉันใดผู้มีศีลก็ไม่ร่วมใช้กับพิสูผู้ทุศีลฉะนั้นเพราะฉะนั้นภิษูผู้มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยนะผู้ที่ประพฤติวัดปฏิบัติได้อย่างไม่ขาดผู้นี้จะประพฤติสารานิยธรรมให้ของของใช้ตัวเองเป็นสาธารณแก่บุคคลอื่นกล่าวว่า ภิกษุใดให้ของเจาะจงแก่มารดาบิดาให้เจาะจงแก่อุปชาอาจารย์ภิกษุนั้นย่อมให้สิ่งที่ควรให้คือให้แปกแก่ผู้ที่ควรให้การให้นั้นไม่เรียกว่าสารานิยธรรมไม่เป็นสารานิยธรรมสารานิยธรรมคือถ้าให้เจาะจงอันนี้ให้พ่ออันนี้ให้แม่อันนี้ให้ครูนี้ให้อุปชาอันนี้ให้อาจารย์การให้อย่างนี้ดีไหมดีควรให้ไหมควรสมควรไหมสมควรอย่างยิ่งแต่ถามว่าเป็น สารานิยธรรมไหมบอกไม่เป็นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเจาะจงส่วนแล้วคนที่ประพฤติสารานิยธรรมต้องไม่กังวลเนี่ยนะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีปริพเทศไม่มีอะไรให้กังวลใจเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีความกังวลนั่นแหละจึงจะประพฤติสารานิยธรรมข้อข้อหเออข้อไปเน้นข้อสีนะข้อสาธารณโภคีเนี่ยนะเช่นถ้าเกิดอยากให้เจาะจงขึ้นมาควรเจาะจงใครเจาะจงแก่พิสูจใคร เจาะจงแก่พิสุผู้พยาบาลภิกษุใครเจาะจงแก่ผู้อาคารตุ ก, กะที่จอดมาหรือเจาะจงแก่ผู้ที่เตรียมจะเดินทางจากไปหรืออาจจะให้แก่ผู้บวชใหม่เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้พระพิสูบบวชใหม่เนี่ยโดยมากลาบน้อยนีนะโดยมากความไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนชั้นอย่างไรยิ่งสมัยใหม่ด้วยอุปชาาจารย์ไม่สนใจด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยเนี่ยแล้วก็อย่างสมัยใหม่ก็บอกว่าบวชแล้วพ่อแม่ก็ยังสงเสียอยู่นั่นแหละ หรือบางทีเนี่ยภิกษุที่บวชใหม่ยังไม่รู้การรับบาตรการรับจีวรการนุ่งการใช้บริขารสมณะบริขารทั้งหลายเพราะนั้นถ้าจะเอื้อเฟื้อก็ควรจะเอื้อเฟื้อภิออกษุใหม่ทีนี้การที่จะให้ของเนี่ยนะก็ให้ของโดยที่ไม่ให้เหลือหมายความว่าให้ยกให้ตั้งแต่เทระอาดขึ้นมาหมายว่าเช่นพระภิกษุท่านนั่งเรียงแถวกันมาตัวเองมีอาหารอยู่ในบาตรก็อุ้มบาตรยื่นบาตรเข้าไป แล้วก็ให้เท่าที่ท่านจะรับได้องค์พระหัวหน้ารับได้เท่าไหร่ก็รับไปเหลือก็ออกไปให้ยื่นให้องค์ที่สองเหลือเท่าไหร่ตัวเองไปนั่งฉันอันสุดท้ายนั่นแหละผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็คือเหมือนกับให้ทานนั่นแหละเป็นวิธีการให้ทานแบบพระอ่นะ ท, ที่เรียกว่าสารานิยธรรมถ้าหาว่าเอาไปแล้วองค์อื่นเขาฉันหมดเลยไม่ให้เหลือให้เราเลยก็ไม่เป็นไรไปบิณฑบาตเอาใหม่ถ้าได้ของดีๆมาเอกเอามายื่นให้อกีกถ้าเหลือก็เหลือไป ถ้าเหลือก็ฉันถ้าไม่เหลือก็ไปบิณฑบาตใหม่แต่ของที่ให้ควรให้แก่ผู้มีศีลไม่ควรให้แก่คนทุศีลเพราะอะไรเพราะในงกำพีท่านเน้นพิเศษพุทธพจน์เน้นว่าศีละวันเตหิตให้แก่ผู้มีศีลเจาะจงต่อผู้มีศีลสารานิยธรรมนี้บำเพ็ญยากสําหรับบริษัทที่ไม่ได้ศึกษาไปอยู่ในกลุ่มที่เขาขาดความเมตตาขาดความเอื้อเฟื้อนี่บำเพ็ญยาก เช่นอะไรเช่นว่าภิกษุเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าองค์นี้บําเพ็ญสารานิยธรรมให้แบบไม่มีเหลือแกล้งเขาเอามาหมดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วไปแกล้งตอนเช้าช่วงเช้าก็ยังชั่วท่านยังได้ไปบินธบาดเอามาอีกตัวเองบางทีกแบบ็นิสัยขี้แกล้งนะก็เอามาหมดแต่แล้วก็เขาไม่ได้ฉันหรอกแต่แล้วตัวเองก็เอามาทิ้งเอามาคว้างเนี่ยนะ คือบางท่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีการศึกษาเลยเขากทำยากสารานี้จะทดังที่กล่าวไปจะต้องอีกฝ่ายนึ่งจะต้องเอื้อเฟื้อรู้จักอนุโมทนารู้จักเหลือดีไม่ดีถ้าเป็นชุมชนที่เขาเอื้อเฟื้อต่อกันเนี่ยเขาจะรับมาแต่น้อยดีไม่ดีเอาของตัวเองจำบุญให้องค์นั้นต่อไปด้วยซ้าไปพะะนันองนั้นจะได้ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะ ภิกษุใดได้ของโดยทางอื่นภิกษุนั้นก็ย่อมไม่ถือเอาหมายว่าถ้าตัวเองมีอาหารอยู่แล้วก็สงสารองค์ที่ประพฤติศาลานิยธรรมก็ไม่ต้องเอาท่านจะได้มีฉันบ้างแม้เมื่อไม่ได้โดยทางอื่นก็รับแต่พอประมาณเนี่ยนะไม่รับให้เกินประมาณต้องรับแบบชนิดที่ว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยฉันหมดไหมอย่างที่หนึ่งอย่างที่สององค์ที่นั่นเขาจะมีฉันบ้างไหม สารานิยธรรมนี้ต้องปฏิบัติกี่ปีบอกว่า12ปีถ้าให้แบบสาธารณะโภคีอย่างนี้ได้12บสองปี น, นะต่อไปนี่ก็สบายแล้วจะต้องปฏิบัติไม่ต่ำกว่า12ปีและไม่เกิน12ปีหลังจากนั้นสบายอย่างเดียวแต่ถ้าภิกษุบำเพ็ญสารานิยธรรมครบปีที่12หมายคือว่าแม้เกือบเกือบจบเลยว่างั้นเถอะเกือบสุดท้ายและเกือบสําเร็จแล้ว วางบาทที่เต็มไว้ด้วยอาหารในโรงฉันแล้วก็ไปสงน้ำพระสังฆเถระก็ถามว่านั่นบาทใครก็ตอบว่าบาทของพระพิสุผู้บาเพ็ญสารานิยธรรมองค์นี้แต่ปฏิบัติสารานิยธรรมอยู่ผลของอันเนี้ยสาธารณโพคีองคไหนอยากฉันก็ฉันไปเสร็จแล้วพระเถระนั้นก็เอาบาทนั้นมาแล้วก็แจกจ่ายอาหารในบาด ท, ทั้งหมดแล้วฉันวางไว้แต่บาดเปล่าไว้ที่นั้น ภิกษุที่บําเพ็ญสารานิยธรรมเห็นบาทเปล่าก็เสียใจยว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยฉันไม่เหลือเอาไว้ให้เราเลยเสียใจยมากเลยนะน่าจะเห็นใจเราบ้างรู้ว่าเราให้หมดแม้ก็เนือน้าจะเหลือให้เราบ้างอ่ะนะถึงจะให้หมดก็จริงแต่มันก็น่าจะเหลือให้เจ้าของบ้างถ้าคิดอย่างนี้สารานิยธรรมแตกคุณธรรมยังไม่พอแปลว่าคุณภาพจิตยังไม่ดีพอต่อต้องบําเพ็ญใหม่นับหนึ่งมาอีกสิสองปี ถ้าบำเพ็ญตอนอะายุเจ็ดสิบไปแล้วทําไงกันเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะทำทุกครั้งก็ได้บุญทุกทีไปนะเต็มไม่เต็มก็ช่างเถอะให้ฝึกให้ทําอย่างนี้บ้างอดีแล้วสมัยพุทธกาลเนี่ยมีบางองค์ทําแบบนี้อยู่หลังพุทธกาลก็มีทํามาไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะที่ศรีลังกาโบราณนี่เขาทากันเยอะสารานิยธรรมนี่ท่านบอกว่าเหมือนติทยะประวิวาสขาดครั้งหนึ่งแล้วต้องทําใหม่หมดหมายว่าถ้าพลาดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนับหนึ่งใหม่เลย แม้กระทั่งว่าเกือบจะเสร็จอยู่แล้วต้องมานับหนึ่งใหม่คล้ายๆกับสอบบาลีสมัยใหม่อ่ะถ้าสอบถ้าตกแล้วถือว่าตกไม่มีซ่อมคุณไปเรียนมาใหม่ก็แล้วกันอีกปีหนึ่งนะถ้าพลาดอีกก็เรียนมาใหม่บางองค์เนี่ยเรียนซ่อมอยู่สห้าปีสิบปีแล้วก็ซ่อมไม่ได้สักทีเลยเพราะงั้นไม่ไปซ่อมแบบอะไรนะแล้วออกข้อสอบใหม่นะไม่จะซ่อมใหม่ตรงผิดพลาดตรงนั้นนะส่วนถ้าหากว่าถ้าหากว่าผู้ที่บำเพ็ญสารานิยธรรมเนี่ยนะบำเพ็ญจน ครบที่เงี้ยสิบสองปีแล้วเอาบาทไปตั้งไว้องค์ไหนะอยากฉันก็ฉันนะเดี๋ยวผมไปส่งน้ําก่อนเนี่ยกลับมาจากส่งน้ําเห็นว่าบาทเปล่าก็บอกกู้เราได้ดีแล้วเนาะของของเรานี่เป็นสาธารณะแล้วเนี่ยนะสมความปรารถนาสมความตั้งใจเพราะใจจริงของเราก็ไม่ได้ต้องการให้ของเป็นของเราแต่ต้องการให้ของทั้งหมดเป็นสาธารณะเห็นของของเราเหมือนกับของคนอื่นทั้งหมดเลยนะถ้าทําใจให้มันสาธารณะได้ขนาดนี้ สาธารณโภคีได้ขนาดนี้ก็บริบูรณ์เสร็จแล้วผู้ที่บำเพ็ญสารานิยธรรมจนเต็มบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะจะไม่มีความริษยาเห็นคนอื่นได้ดิบได้ดีข้อใดข้อหนึ่งไม่เคยริษยาเลยเนี่ยนะ มีแต่ยินดีอย่างเดียวเนี่ยนะเห็นคนอื่นได้ดีเช่นได้ปัจจัยดีกว่าได้เช่นได้จีวณดีกว่าอาหารดีกว่าที่อยู่ดีกว่าได้ยาดีกว่ามีอุปทานมีอะไรดีใจกับเขาอย่างเดียวไม่มีคําว่าแม่น้อยอะไรนะน้อยใจทใําไมเรากันดารเรื่องนี้เหลือเกินก็คือไม่มีความน้อยใจมีแต่ดีใจกับเขาไปก้อนหนึ่งก้อนสองไม่มีความกระนีของที่ตัวเองอยู่ก็ไม่มีจิตใจหวงแหน เพราะฉะนั้นภี่สูนั้นจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยคนทั้งหลายรักและไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยปัจจัยของท่านจะเป็นของที่หาง่ายานะและของที่อยู่ในบาทจะไม่มีไม่มีหมดนะบุคคลกลุ่มนี้ใช้ของไม่มีหมดเธอย่อมได้แต่ของที่เลิศเลิที่เขาแจกเมื่อประสบภยัยหรือว่าประสบความอดอยาก เทวดาก็จะช่วยขวนขวายดูแลเนี่ยนะซึ่งเรื่องนี้ต่อไปก็จะมีตัวอย่างแต่ก็มีพระรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเคยไปไปให้ทานเนี่ยนะให้ทานอยู่ครั้งหนึ่งก็คืออาศัยปัจจัยของท่านอะ่ะโดยส่วนตัวแล้วก็ให้ทานบอกว่าหลังจากนั้นมาท่านไม่เคยเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4ี่เลยนะีตั้งแต่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพัานการให้เนี่ยนะโดยเฉพาะการให้ให้ไว้ระดับหนึ่งให้จนระดับหนึ่งเพียงพอแล้วตัวเองก็จะไม่ เดือดร้อนแต่ถ้าหากว่าให้ยังไม่พอเนี่ยเดือดร้อนอีกนานพราะถ้ายังเดือดร้อนในเรื่องของปัจจัยสี่ทั้งหลายแหละก็แสดงว่าตัวเองให้ทานมาไม่ดีให้ทานมายังไม่ไม่พอหรือว่านี่หนที่หนึ่งนะในที่สองไม่รู้จักพอมันมีสองอย่างนะเขาเรียกว่าให้มาไม่พอกับอย่างที่สองก็คือไม่รู้จักพอมัอาจจะมีเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่ามันพอไม่เป็นเนี่ยนะเป็นกลุ่มทะเลรับได้ไม่อ้นอย่างงถ้าอย่างนั้นก็ยากแล้วละ่ะ ส่วนอา น, นิสงของสารานิยธรรมเดี๋ยวก็คงตอนบ่ายนะจะ ก, กล่าวถึงอา น, นิสงของสารานิยธรรมว่าถ้าประพฤติสารานิยธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วนะจะไม่เดือดร้อนอย่างไร